สังคาทิเศษสิกขาบทที่9ก้าเพราะภิกษุณีอยู่คลุกคลีกันไม่ยอมสละกรรมจนกระทั่งสงสวดสมนุภาพครบสามครั้งต้องอาบัตสามอย่างคือหนึ่งจบยัติต้องอาบัตทุกกฎสองจบกรรมวาจาสองครั้งต้องอาบัตทุกกจาจาตออลจใจ 3. จบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอาบัตสังฆาทิเศษ